ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจในส่วนที่เป็นกุศลร่วมรับอนุโมทนาให้พรจากหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกอย่างพร้อมเพรียงกันยะถ า, าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานางอุปกาปะปิต อิชิตังปัติตังตุมหังขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราสูยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภีวาธนสีลิสนิจยังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาฏฐานะอายุวันโนสุขังภาลังปวะตุสัพภังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะ สัทโธถีภาวนตุเต